อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องพึ่งตนพนธาตุสุนัขาชาดกโดยสมณทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่14เมษายน2545ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบบัดนี้ค่ะ ฟังชาดกสักเรื่องหนึง่งชื่อสุนัขาชาดกน่าตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่าพึ่งตนพ้นทาตเป็นเรื่องสั้นๆก็ลองฟังดูแล้วกันพระศาสดาเมื่อบรตรทัพอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารทรงปารพถึงสุนักที่มากินอาหารที่ศาลานั่งพัก ซึ่งอยู่ใกล้ซุ้มรางน้ำโดยพวกคนตักน้ำได้นำสุนัขตัวนี้มาเลี้ยงไว้ตั้งแต่เกิดเลยทีเดียวสุนัขได้รับความเอาใจใส่ความรักเลี้ยงดูเป็นอย่างดีได้กินอาหารบริบูรณ์จนร่างกายเติบใหญ่สมบูรณ์อ้วนเพียอยู่มาวันหนึ่งมีชาวบ้านผู้คุ้นเคยสนิทสนมคนหนึ่ง แวะมาเยี่ยมเยือนคนตักน้ำคืออันนี้เป็นคนตักน้ำเนะเป็นคนเลี้ยงไว้เลี้ยงตั้งแต่เด็กมาเลยพอพอพบเห็นสุนัขนั้นแล้วก็ชอบใจนักปรารถนาอยากได้เป็นเจ้าของจึงเฝ้าวนขอร้องต่อผู้ตักน้ำโดยไม่ยอมเลิกลาจากไปคือเห็นสุนัขตัวนี้แล้วก็ชอบชอบมากๆก็ อะไรอ่ะซาซีเซาซีน่าจะขอสุนัขตัวนี้ไปให้ได้ในที่สุดคนตักน้ําก็ใจอ่อนยินยอมยกสุนักนั้นให้ไปด้วยความเสียดายยิ่งนักแสดงว่าคนตักน้ํานี่ก็ใจดีนะตัวเองเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะรักก็รักในที่สุดก็ตัดใจให้คนอื่นเข้าไปส่วนชาวบ้านคนนั้นได้ได้มอบผ้าสาดก ผ้าซาดกนี่หมายถึงผ้านุ่มห่มนะเขาเรียกว่าผ้าสาดกเนื้อดีและเงินอีกจำนวนหนึ่งให้เป็นน้ำใจตอบแทนแล้วก็เอาโซ่คล้องคอพาสุนัขนั้นไปสุนัขตัวนั้นเมื่อโดนโซ่ล่ามลากจูงไปอยู่ก็ไม่ได้ดิ้นรนรกดเครื่องแต่ประการใดเขาให้กินอาหารก็กินโดยดีเดินตามไปข้างหลัง ด้วยอาการสงบสงี่ยมทำให้ชาวบ้านนั้นรักใข้พอใจคือปรากฏว่าจริงๆปกติสุนัขเนี่ยไม่ต้องสุนัขหรอกคนก็เหมือนกันนะนะถ้าจะโดนแบบว่าเอาพรากออกไปจากเจ้าของเดิมเขาดูสินี่ตั้งแต่อ่อนแต่ออกนะจนกระทั่งโตนะเขาเลี้ยงมาเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามีคนแปลกหน้าคนอื่นเนี่ยจะเอาไป ถ้าโดยปกติไปยังไงอย่านึกว่าหมาไม่มีหัวใจนะสุนัขมันก็มีหัวใจเหมือนกันเป็นยังไงถ้าถ้าเป็นสายสายกามนะก็จะตอมใจอาจจะรู้สึกแม้ทำไมเจ้าของไม่รักแล้วหรือยังไงถึงได้ยกให้คนอื่นไปนะอาจจะตอมใจอกหกักอกพังแต่ถ้าเป็นสายโทสะเป็นงไงนะ ถ้าเป็นสา ย, ทสายโทรศัพท์อาจจะโกรธอาจจะไม่ยอมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาโซ่มาร่ามคอมันแล้วจะมาดึงจะมาลากมันไปนี่ไม่ยอมไปหรอกเหมือนคนบางคนมาอยู่อโสรกไงเอามาล่ามไปนี่โอ้โหไม่ยอมไปง่ายๆเพราะว่าเราก็รักที่นะมันจะใครรักอโศก ไม่ยอมไปไง่ายๆใครจะมายังไงก็ไม่ยอมง่ายๆแต่ถ้าคนไม่รักนี่เขาชวนนี่ชวนนอยก็ไปง่ายมากเขาไม่ชวนยังจะไปเลยนะอาจจะสุนัขตัวนี้ก็แปลกนะเออก็ไม่ดือ้อนะอาการสงบสงี่ยมเขาให้กินก็กินเขาจะจากจูงไปก็ไปนะทําให้ชาวบ้านคนนี้ก็เลยเออนึกนึกดีใจนะนึกแปลกใจ สุนัขตัวนี้แสนเชื่องและเชื่อฟังเราดีแท้มันคงรักเรายอมรับเราเป็นเจ้านายใหม่ของมันแล้วคิดในแงด่ดีว่าเออสุนัขตัวนี้คงคงเข้ากับเราได้ดีนะถึงยอมรับความเป็นานายใหม่ได้เขาจึงปลดโซ่ออกจากคอของมันทันทีที่โซ่หลุดออกจากคอเท่านั้นสุนัข ก, ก็วิ่งอย่างรวดเร็ววิ่งไป อย่างรวดเร็วกับมาถึงศาลานั่งพักตามเดิม <c ười> คือวิ่งกลับมาที่เก่าเลยที่ที่โกลตักน้ำนาน่ยเขาเลี้ยงมันเอาไว้แล้วมันก็ชอบมาอยู่ที่ศาลาเนี่งแสดงว่าอะไรเจ้าเล่เจ้ากล น, นะ <c ười> สุนัขตัวเนี้นะตาเป็นหยิมหยิมทำเป็นอะไรนะซื่อๆนะไม่มีพิษสงไม่มีอะไรที่ไม่มีพิษสงอยู่พ่ อ, อะไร เพราะว่ามีโซ่ล่ามคออยู่แสดงว่ามันฉลาดมันรู้ว่ามันทำไอ้นั่นทำไม่นี่หรือจะอะไรนี่เดี๋ยวไม่หลุดแน่เดี๋ยวซวยแน่แน่เขาก็ยิง่งยิ่งจะจับยิ่งจะขังเพราะนั้นแสดงว่าไอคิวสูงพอสมควรนะ <c oughs> ไม่เพียงแต่ไอคิวสูงเท่านั้นยังอะไรอีกอีคิวก็เยี่ยมเลยเพราะยังไงอีคิวเยี่ยมคืออะไรเออมันมันทาเป็นสงบทาเป็นแหม ไม่มีปัญหาอน้ามโซก็ได้เอาอะไรมาให้กินกินได้ทั้งนั้นไม่เลือกกินเหมือนบางคนบางคนแหมเห็นอะไรเขาหน่อยอย่างงี้ไม่เอาไม่ชอบไม่กินแต่นี่มันเออกินได้กินได้อะไรก็กินได้นะ้นมันจะให้เห็นว่าทั้ง i อคทั้ง e ีคิเนี่ยโอ้โหใช้ได้ทีเดียวนะเจ้าสุนัขตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครมีสองอย่างนี้อยู่เนี่ย เ, ยเอาตัวรอดได้แต่ถ้าใครนี่ นะทั้งไม่ฉลาดแล้วก็อารมณ์อารมณ์บูดอารมณ์มเสียง่ายด้วยนะอย่างนี้ไปไม่รอดหรอกเนี่ยถ้าใครแบบสมบูรณ์เป็นหมาดีนะแต่ว่าซื่อ ๆ, ๆนะรักเจ้านายเก่าแล้วโอ้โหพอคนอื่นจะมาเอาไปนี่เป็นไงโดนล่ามกัดดิ้นพยายามเห่าพยายามอะไรจะกัดเขาจะอะไรเขาเขายิ่งขังหรือเผลอๆเขาก็ยิ่งอะไรยิ่งหาทานเล่นงานให้มัน ให้มันอยู่ให้ได้ให้มันสงบสยบมันให้ได้ราะจะยิ่งเก็บหนักอั น, นี้มันฉลาดมันทําให้เขาตายใจอแล้วก็เอาตัวรอดได้เสร็จแล้วตอนนี้อเราภิกษุทั้งหลายพอเห็นสุนัขนั้นกลับมาได้อีกและได้ทราบเหตุที่มันกระทําลงไปแล้วก็สนทนากันในโรงธรรมมาสภาตอนเย็นนั้นว่าท่านทั้งหลาย สุนัขตัวที่มักมันกินอาหารที่สาลานั่งพักนั้นฉลาดเหลือหลายในการทำตนให้พ้นจากเครื่องจองจำได้พอเขาปล่อยเท่านั้นก็รีบหนีกลับมาทันทีฉลาดที่จะให้พ้นเครื่องจองจำนะเป็นเป็นสุนัขที่ฉลาดพอดีพระาศาสดาเสด็จมาถึงได้ทรงทราบเรื่องที่ภิกษุสนทนากันแล้วจึงตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุนักนั้นไม่ใช่ฉลาดในบัดนี้เท่านั้นแม้เมื่อการก่อนก็ฉลาดรู้เอาตัวรอดเป็นไทยได้เหมือนกันแล้วสงตัดเล่าให้ฟังในอดีตการยุคสมัยของพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพราราณสีครั้งนั้นกรุงพราราณสีมีชาวเมืองคนหนึ่ง เลี้ยงดูสุนัขของตนอย่างอุดมสมบูรณ์ให้ก้อนข้าวกินจนอ้วนท้วนน่ารักเป็นที่ชื่นชอบต่อผู้ที่พบเห็นวันหนึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่งเดินทางมาถึงกรุงพาราณสีบังเอิญได้พบเห็นสุนัขนั้นเข้าบังเกิดความชอบใจเป็นอย่างยิ่งจึงอ้อนวอนขอซื้อสุนัขตัวนั้นจากชาวเมืองเขาย่อมจ่ายเงินมากพอสมควรอีกทั้งยังแถม ถ้านุ่งห่มเนื้อดีไปอีกด้วยจึงสามารถซื้อสุนัขนั้นมาได้ในระหว่างทางที่นำสุนัขกลับบ้านของตนพอถึงบริเวณใกล้ปากดงแห่งหนึ่งเขาเข้าไปและแวะพักที่ศาลาไม้อ้อแหลงว่าเป็นดงไม้อ้อโดยเอาเชือกหนังผูกร่ามสุนัขไว้กับเสาเป็นอย่างดี แล้วตนเองก็นอนหลับพักอยู่บนพื้นกระดานศาลานั้นในขณะนั้นเองปรากฏมีบัณฑิตผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในตระกูลที่มีสมบัติมากในแคว้นกาสีเดินทางผ่านดงไม้นั้นเพื่อไปทำธุระอย่างหนึ่งพอเขาเห็นสุนัขน่ารักตัวนั้นโดนพันธนาการเอาไว้อย่างแน่นหนาก็เกิดจิตเมตตาสงสารจึงเอ่ยปากบอกไปว่า สุนัขตัวใดไม่กัดเชือกหนังให้ขาดสุนัขตัวนั้นโง่เขลามากสุนัข ค, ควรปลดเปลื้องตนเสียจากเครื่องผูกจงกินเชือกหนังเสียให้อิ่มแล้วหนีกลับไปสู่ที่อยู่ของตนเถิดกล่าวจบนาะบัณฑิตก็จากไปปล่อยให้สุนัขนั้นหูตั้งชันฟังคําของบัณฑิตอย่างตั้งใจแล้วก็เกิดความคิดขึ้นว่าตอนนี้เป็นรามที่ของแก <c oughs> <sk ill ivity> นะ <c oughs> นี่เป็นความคิดของสุนัตว่าคําที่ท่านกล่าวด้วยความเมตตาปราณีนี้ฝังอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะจดจําไว้ไม่ลืมเลือนเลยข้าพเจ้าจะรอเวลาให้เขาหลับแล้วจะทําดังที่ท่านสั่งสอนนะ่าปลื้ง่ายว่าจะทําตามคําของบัณฑิตที่แนะนําเอาไว้ เมื่อเหลียวมองดูชาวบ้านคนนั้นเห็นกําลังหลับอยู่บนศาลาจึงรีบกัดเชือกหนังที่ล่ามอยู่กัดจนกระทั่งเชือกหนังขาดออกจากกันเหลือบตามองดูชาวบ้านคนนั้นยังคงหลับอยู่อย่างสบายนะสุนักจึงไม่รอช้ารีบวิ่งหนีกลับไปยังบ้านของเจ้าของเก่าของตนตามเดิมพระศาสดาทรงนําชาดกนี้มาแสดงแล้วก็ตัดว่า สุนัขที่กัดเชือกหนังขาดนั้นได้มาเป็นสุนัขที่กินอาหารที่สาราพักนั่นเองส่วนบัณฑิตนั้นก็คือเราตถาคตในบัดนี้เรื่องนี้สั้นมากน <c oughs> ่าจะให้เห็นว่าสุนัขที่ฉลาดรู้จกักทำให้ตัวเองพ้นทุกข์หรือพ้นจากความเป็นทาตได้ เพราะฉะนั้นนิทานพวกนี้เป็นเรื่องของชาดกเป็นเรื่องที่บางทีพระเจ้าท่านก็เอามาเล่าเอามาสอนให้ภิกษุฟังบางทีเนี่ยภิกษุไปติดไอ้นั่นมันไปหลงไอ้นูนบ้างนะหรือว่าไปติดไปหลงก็คือเป็นทาตนั่นเองอานะจะเป็นทาตทางตาหูจมูกปากลิ้นกายใจจะเป็นทาตในอะไรก็ตามก็เหมือนกับสุนัขตัวนี้ไปโดนล่ามโซ่ไว้ หรือไปโดนเชือกหนังล่ามมาไว้นะถ้าเชือกหนังก็ขนาดหนึ่งเพราะว่าเชือกหนังไปยังไงยังกัดเข้านะัยังมีโอกาสขัดกัดขา ด, ขดถ้าเป็นเชือกหนังจะเหนียวยังไงก็ยังมีโอกาสได้แต่ถ้าเป็นโซ่ไปยังไงโอ้โหฟันคงกัดไม่เข้าแน่เพราะฉะนั้นโปิดสัญลวดว่าตอนนี้เรามีเชือกหนังหรือว่ามีโซ่นะล่ามล่ามอะไรเร า, เาไว้บ้าง ะนะอาจจะเรื่องตาเรื่องหูเรื่องจมูกก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะต่างๆดูสิเรามีอะไรโดนล่ามไปบ้างแล้วทำให้เราเนี่ยตกเป็นธาตุอยู่สำรวจไปเลยใครถือศีล5้าก็ลองสำรวจดูตัวเองสิว่าเอ๊ตอนนี้เราเป็นสุนัขที่มีทั้ง EQ และ IQ ทั้งสองอย่างหรือเปล่า นะที่จะฉลาดพอที่จะดิ้นให้หลุดได้ไหมอย่างบางคนเนี่ยอาจจะเป็นสุนัขที่อะไรนะตะกะนะโดยที่ยังไงติดอยู่ในกิเลสก็รู้ด้วยนะรู้ว่าเป็นกิเลสนะติดอยู่ในอ่างอาหารการกินติดอยู่ในเสื้อผ้าติดอยู่ในข้าของเครื่องใช้อ่าติดอยู่ในรูปรถ กลินสีเสียงอะไรก็แล้วแต่นะติดแล้วเราทั้งทงที่รู้นะฟังธรรมะก็มากพอสมควรรู้ก็รู้ดีพอสมควรแต่เราไม่เหมือนสุนัขตัวนี้เลยที่ฉลาดที่จะแบบว่าหาทางดิ้นหลุดให้ได้นะไม่ไม่แล้วก็เป็นสุนัขที่ฉลาดแบบอะไร เ, เราสู้กับกิเลสเนี่ย มันมีอยู่สองวิธีการใหญ่ๆเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเรียกว่าสมถ า, าวิปัสนาแต่จริงๆนะที่อาตมาหมายเนี่ยคือจะสู้แบบสุขขาปฏิปทาหรือทุกขาปฏิปทาหมายถึงจะสู้ในลักษณะแบบโอ้โหทุกยากลําบากหรือจะสู้ในลักษณะแบบสบายๆสู้แบบสบายๆแต่ก็พ้นทุกได้ สุนันทคนนี้สู้แบบไหนเนี่ยน ะ, ะจริงๆแล้วค่อนข้างมายในทางสุขขาปฏิปทานนะเพราะว่าใช้ทั้งปัญญาใช้ทั้งปัญญานาที่จะแบบว่าอพอเขาปล่อยเมื่อไหร่ก็ปุ๊บทันทีเลยแต่ในขนาดเดียวกันก็มีสมถะ ท, ที่รู้จักอดทนอดกลั้น mm hmm. เห็นไมค่อนมายในทางใช้ปัญญาเนี่ยมากสุนักสุนตัตัวแรกนะ ตั้งตัวแรกอะที่อยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าอะที่ที่ของเอ่อคนตักน้ำเลี้ยงเอาไวอ้อันนั้นอะค่อนมาในทางเขาเรียกว่าสายปัญญาหรือปัญญาวิมุตตหมายถึงว่าใช้ปัญญานำนะรู้จักฉลาดไม่ดื้อดึงไม่อะไรเลยปล่อยให้ไอ้กิเลส น, นั้นโหเล่นงานอิลุปตุกตับนะทำเป็นเฉยเฉยทเป็น อะไรไม่กระโตกกรตากไม่อะไรเลยแต่พอกิเลสบันเพลนี่อืจัดการกิเลสเรียบร้อยเลยนั่งกิเลสโดนอ น, น็อกเลยเสร็จเลยนั่นคือดีปัญญาเนี่ยใช้ความฉลาดของปัญญาเนี่ยนําเสร็จแล้วก็ค่อยเอาเจโตเนี่ยตามแต่สุนัขตูที่สองนี่จริงๆแล้วไม่ค่อยมีปัญญาสักเท่าไหร่นะโดนจับมาแล้วก็ยังไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่แต่พอดีโชคดีว่ามีบัณฑิตมาช่วยแนะนําให้ นะหรืออย่างพวกเราเนี่แหละที่จริงก็ไม่ฉลาดกันสักเท่าไหร่หรอกนะได้โอกาสมาฟังเทศฟังธรรมอ่าได้ฟังจากพ่อท่านสอนบ้างหรืออ่านหนังสือธรรมะบ้างทําให้เราเออเข้าใจสัจธรรมเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดมากขึ้นพอเรารู้เราเข้าใจมากขึ้นคนนี้เออชักชักมีสัมมาทิฐิอ่าชักมีความฉลาดฉลาดแบบค่อยๆมีปัญญาขึ้นมานะปากฏว่า เนี่ยเจ้าตัวหลังนี่เออพอได้ปัญญาเข้ามาคราวนี้ก็เลยกัดเชือกหนังให้ขาดเลยตอนกัดนี่แหละต้องใช้กําลังหรือต้องใช้ความอดทนต้องใช้เจโตมากเพราะว่าในนี้เขาก็ต้องเชือกหนังที่จะมามัดต้องเป็นเชือกที่เหนียวแน่เขาคงไม่เอาเชือกเปอปอเชือกผูผูมามัดเอาไว้เพราะต้องเป็นเชือกที่เหนียวเพันโหกว่ากว่ามันจะกัดให้ขาดได้เนี่ยไม่ง่ายเลยเพราะนั้นถ้าใครเป็นสายเจโตเนี่ย าบางทีก็ต้องโหต้องใช้เจโตต้องใช้ความอดทนในการที่สู้กับกิเลสของเราเพราะฉะนั้นอ่อนแอก็กัดเชือกหนังไม่ขาดไม่ขาดก็ไม่หลุดก็ไม่พ้นจากกิเลสนั้นทัท้งทีก็ยังคงเป็นทาตอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากกิเลสนั้นได้เพราะหลายคนนะที่บางทีเนี่ยปัญญาก็อ่อน <c oughs> <c oughs> เจโตก็อ่อน <c oughs> ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ปัญญาอ่อนแบบโน้นนะอันนี้หมายถึงว่าสายปัญญาปัญญาก็อ่อนแอนะเจโตก็อ่อนแอก็เลยกลายเป็นว่าสู้อะไรไม่ได้เลยไอ้นุนก็ติดนึบนะพอจับไอ้นั่นไม่หลุดทักทีจับไปนุองก็ติดนะจับไอ้หนีก็ติดติดไปหมดโอ้โหจะดิน้นจะอะไรไม่มีแรงดิ้นเลย ไม่รู้ไม่มีแรงดิ้นหรือไม่ค่อยยอมดิ้นก็ไม่รู้นั่นเลยไม่หลุดอะไรเลยติดมันเยอะแยะไปหมดบางคนเนี่ยขยันฟังทําด้วยนะแหมเห็นหน้าคุ้นคุ้นบ่อยจังเลยฟังภาคคาเนี่ยเนี่ยหน้าคุ้นคุทั้งกันเนละแต่บางทีแล้วโอ้ว่าถามเอา้าเป็นไงไอ้นั่นเป็นไงไอ้นี่เป็นยังไงตอนนี้กินกี่มือแล้วยังจุบจีบอยู่หรือเปล่า เด็ดขาดหรือยังในเรื่องนั้นในเรื่องนี้โอ้โหบางทียังไม่ก่อยใจทาอะไรสักเท่าไหร่เลยอย่างเนี้ระวังเถอะมันจะตายซะก่อนอนะตายไปแล้วเนี่ยไอ้ด้ไอ้ดีก็ยังไม่ทําก็ติดไปอีกแล้วกว่าเราเนี่ยตายไปเสร็จนะกว่าเราจะไปเกิดเสียเวลาอีกมากแค่ไหนรู้เปล่ากว่าจะเกิดแล้วกว่าจะได้สติกว่าจะรู้ตัวกว่าจะ รู้ตัวรู้กี่เหลี่ยนมาแล้วกว่าจะสู้อีกโอ้โหเสียเวลาไปอีกกี่กี่สิบปีคิดดูสิพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะรู้รู้ตัวหมายถึงว่าเจอเทวทูตเจออะไรต่ออะไรมามากระทุ้งกระแทกกระเทือนทําให้เกิดเกิดสติเกิดยานเกิดของเก่าขึ้นมาได้เนี่ยอายุเท่าไหร่เข้าไปแล้วที่ออกบวชอะ่ะใช่ไมอ่ายี่สิบเก้าเข้าไปแล้วนะคิดดูนะ เราเองเนี่ยมันจะไปขนาดไหนกันนะคิดดูเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยชาตินี้เนี่ยมีชีวิตอยู่มีโอกาสเนี่ยรีบทําแต่ละวันเนี่ยปล่อยผ่านก็เสียไปเรื่อยสูญเสียไปแต่ลวันปล่อยผ่านก็สูญเสียไปเรื่อยเพราะฉะันคุณเกิดมาเนี่ยรับรองยังไงธรรมาเชื่อว่าคุณไม่เก่งกว่าพระุทธเจ้าอะ่ะเอาเก่งที่สุดเน้นเป็นเน้นก็ตามหรือเป็นเด็กก็ตามอายุเจ็ดขวบ ที่เร็วที่สุดแล้วนนะที่บาลุทำได้อายุเจ็ดขวบว่าอย่างน้อยก็ต้องเจ็ดปีอ่ะอย่างน้อยต้องอีกเสียเวลาอีกเจ็ดปีนะนั่นอันนี้ถือว่าเร็วที่สุดแล้วนะซึ่งโอ้โหมันจะไ่ง่ายอย่างนั้นเหรอดูสิขนาดบรารมีอย่างของพระเจ้าเนี่ยท่านยังต้องยี่สิบเก้าเนี่ยคิดดูเอา พอโดนหลอกล่อโดนอะไรต่ออะไรโอ้โหเยอะแยะมากมายเพราะอย่างพวกเราเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ฉลาดไม่ไหวทันนี่โอ้โหหลุดยากนะอันนี้โชคดีเราอยู่กับบูกับกลุ่มเนี่ยนะโชคดีมากแล้วบางทีอัตมาก็ไม่รู้นะทุกวันนี้ท่านธรรมาท่านยังช่วยพาตั้งตะบะกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้อ่าเหลือสักกี่คนละตอนเนี้ยอ นะอย่างอันนี้พยายามหรือแม้ว่าบางทีใครอาจจะไม่ได้ไปร่วมด้วยก็ตั้งเองไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้สัมมณะหรือสิกขมาตรหรือสัมมาเนนอะไรมาเขี่ยวเข็นจริงๆเราควรเขี่ยเข็นตัวเองแลาจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ถูกต้องที่สุดว่าตัวเราเองเนี่ยเราหน้าที่จะเอ้ยเี่ยเข็นตัวเราเองเพราะว่าการตั้งตบะตัวเองก็ต้องตั้งเองคนอื่นมาตั้งให้ไม่ได้ หรือการจะถือศีลเนี่ยจะศีลห้าก็ตามหรือจะศีลแปก็ตามนะจะกี่ข้อก็ตามก็เป็นคนนั้นตั้งนะตั้งขึ้นมาหมายถึงว่าจะตั้งจิตว่าเราจะถือศีลเท่าไหร่เพราะถ้าคนนั้นเนี่ยไม่ตั้งไม่ตั้งใจแล้วก็ไม่พยายานที่จะถือใครจะไปบังคับได้ละ่ะเพราะว่าการถือศีลปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เรื่องบังคับอะบังคับกันไม่ได้มันต้องอยู่ที่ใจคนนั้น เพราะในเรื่องนี้เราจะเห็นได้เลยนะว่าโอ้โหสุนัขตัวนี้นี่แม่สุนัขตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โพธิสัตว์น ะ, <c oughs> ะจากที่จบเนื้อเรื่องบอกแล้วใช่ไหมสุนัขตัวนี้แล้วแสดงมาดูซิมันก็ยังเป็นของชาติโนมันเป็นสุนัขชาตินี้มันยังเป็นสุนัขอยู่อีกมัน <c oughs> ไม่ได้มาเป็นคนนะมันยังเป็นสุนัขอยู่เลยนะเพียงแต่ว่ามันฉลาดใช่ไหออม่ฉลาด ส่วนส่วนอดีตของผู้เจ้าผู้เจ้าท่านบอกว่าก็คือบัณฑิตที่ที่บอกให้กับสุนัขตัวนี้โอ้โหอาตมายังนึกได้เย้ ใ, ใจนะว่าโอ้โหนี่มันฉลาดขนาดนี้แล้วมันพยายามที่จะพ้นพ้นจากความเป็นทาสคือหมายถึงว่าอย่ามาล่ามโซ่ฉันอย่ามาขังฉันเอาไว้อย่ามาใส่กรงเอาไว้มันฉลาดแค่เนี้มันฉลาดแค่ว่าขอให้มันเป็นอิสระให้อยู่นอกวง อย่ามามีใครล่ามานันเอาไว้แต่มันก็ฉลาดแค่นี้แหละจะทั้ง IQ ทั้ง EQ อะไรมันก็ฉลาดแค่นี้มันยังไม่ฉลาดที่จะเอากิเลสออกมันถึงยังต้องเป็นซูนักอยู่วพาันบางทีเนี่ยสัตว์หลายชนิดนะดูแล้วโอ้โหมีกิจความสามารถมีความฉลาดที่บางทีคนอาจจะสู้ไม่ได้ในบางเรื่องในบางอย่างคนอาจจะสู้ไม่ได้เลย อย่างเช่นปลาโลมาเนี่ยโอ้โหที่มันมีความฉลาดมีอะไรของมันนะช่วยเหลือคนก็ได้ด้วยพึ่งอย่างเงี้ยพึ่งที่ อ, อะไรอะ่ะที่มันมาสร้างรังแล้วมันก็มีไอลักษณะการทํางานลักษณะอะไรต่างๆของมันโอ้โหดูแล้วก็มหาสัจจันทร์แล้วเออมัน เ, เป็นไปได้นะซึ่งคนเราบางทียังอาจจะเทียบไม่ได้เลยอย่างนั้นซึ่งอันเนี้ย เพราะนั้นฉลาดแล้วก็มี IQ มี EQ เนี่ยต้องพยายามให้ฉลาดแบบโลกุตระแล้วก็เป็น EQ แบบโลกุตระอย่าไปเป็น IQ แบบโล ก, กีแล้วก็อย่าไปเป็น EQ แบบโล ก, กีถ้าใครเนี่ยฉลาดแบบโลกโลกเห็นไหมเขาเป็นด็อกเตอร์เขาเรียนจบจากนอกหรือโอ้โหฉลาดคิดสูตรนั่นสูตรนี่ได้นะคิดเครื่องบางทีเครื่องยนกลไกลคิดอะไรโอ้โหเรายังนึกอยู่โอ้โหคิดไม่ได้ไง บางทีเคยดูเครื่องอะ้รที่มันมันสลับซับซ้อนเนี่ยเอาอย่างเช่นเครื่องพิมพ์อย่างเงี้ยบางทีบทไปดูที่โรงพิมพ์เนี่ยนะโอ้โหใครนะมันช่างคิดอย่างไรมันคิดออกมาได้ยังไงออกมาเป็นเครื่องพิมพ์อย่างนี้ได้นะหรือว่าเนี่ยวิทยุโทรทัศน์โอ้โหคิดออกมาจนได้ในชะสามารถที่จะส่งสื่อสาระอะไรต่างๆเก่งแต่เก่งแบบนี้มันยังเป็นโลกโล ก, กีอยู่ยังไม่ใช่เก่งแบบโลกุตละ วันอันนี้ถ้าเราศึกษาแล้วเราเข้าใจได้เราถึงจะมารู้แล้วมันถึงจะเสียดายวันเวลาที่ผ่านไปว่าเออบางทีวันเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเออเราทำอะไรอยู่นะไม่สำคัญเท่าไหร่นักนะถ้ามาอยู่วัดหรือจะอยู่บ้านเพราะบางคนเนี่ยถึงเขาจะอยู่ที่บ้านก็ตามแต่เขาศึกษานี่นเขาหาเทปธรรมมาฟังเขาอ่านหนังสือธรรมะแล้วเขาก็ มีตั้งตบาบะมีการตัวสีมีการถือศีลเอาอย่างงั้นแม้เขาอยู่บ้านแต่เขาอยู่อย่างกับอยู่วัดเลยอะแต่ตรงกันข้ามเลยบางคนเนี่ยมาอยู่ในวัดหรือมาอยู่ริมวัดหรือมาอยู่ใกล้วัดอยู่อะไรอีกอะขอบวัดอะนะแต่ปรากฏว่าชีวิเราแต่ละวันแต่ละวันก็อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ย ศีลก็ก็ก็บอกว่าอ้าศีลห้าหรือบางทีก็บอกว่าศีลแปดแต่จริงๆแต่ละวันไม่เคยตรวจศีลตัวเองเลยจริงๆแล้วไม่เคยตรวจศีลตัวเองเลยแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยจะกินอยู่หลับนอนนอะไรไม่เคยตรวจเลยเอาจิงๆจะกินเนี่ยไม่เคยพิจารณาเลยอันนี้เหมาะที่จะกินหรือว่าไม่เหมาะที่จะกินกินด้วยกินเหลืหรือเปล่าอาหารนี้เป็นอาหารที่ได้มาโดย กุศลหรือเปล่าหรือว่าได้มาโดยทุจริตได้มาโดยอังกุศลไม่เคยพิจารณาเลยบางทีกินไปแล้วเนีย่ยเป็นคุณเป็นโทษยังไงไม่ได้พิจารณานะเอาง่ายๆห ย, ยาบๆแค่ว่าเป็นมังสวิ ร, รัตเอาแหละฉันกินทั้งนั้นแหละแค่นั้นน่ะหยาบๆโดยที่ไม่ไม่ได้เพิ่มไม่ได้ศึกษาเพิ่มหรือว่าไม่ทําให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจหรือ มีการลดละ ก, กิเลสเพิ่มขึ้นเพราะันจริงๆนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นเลยเพราะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะอยู่ไปก็ก็แบบแก่วัดไม่เหมือนแก่อะไรนะกะโหลกกลากโหล ก, กลาแก่แล้วยังเอามาทำอะไรได้ะเออยังเอามาทำเครื่ อ, องใช้ เออเอามาทำเครื่องดนตรีทำอะไรต่ออะไรได้นะแต่บางคนแก่วัดมันเป็นสำนวนนะไม่ได้แปลว่าคนแก่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าใจผิดสำนวนแก่วัดนี่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าคนแก่แต่หมายถึงว่าการอยู่วัดจนกระทั่งเรียกว่าอะไรอ่ะรู้ทางหนีทีไล่อะไรหมดแล้วแล้วก็ไม่ค่อยประพฤติไม่ค่อยปฏิบัติเอาดีให้เกิดขึ้น อยู่ไปโดยชนิดที่เรียกว่าอยู่ไปอย่างนั้นเองคืออยู่อยู่ไปเป็นวันเวลาที่เอาอยู่วัดมาแล้ว5ปีอยู่วัดมาแล้ว10ปี20ปี30ปีอะไรเงี้ย<ม>ก็แก่ไปอย่างนั้นเองอยู่ยาวนานไปอย่างนั้นเองแต่ว่าโดยมรรคผลหรือโดยการปฏิบัติจริงๆไม่พัฒนาขึ้นเพราะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เลยโอ้ยพวกนี้มันแก่วัดเป็นสำนวนที่เขาใช้ใช้กัน มันถ้าเราเองเนี่ยเรารู้นะรู้สัจจะรู้ความเป็นจริงพยายามอรรมาก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงนะให้ให้ให้เห็นถึงคําที่พ่อท่านบอกว่าทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญเนี่ยมันหมายความว่าทุกวินาทีเนี่ยมันมีคุณค่าถ้าเราปล่อยผ่านเนี่ยเราสูญเสียบุญที่เราควรจะได้ละเราจะสูญเสียไปเลยเพราะวินาทีไหนเนี่ยที่เราไม่พยายาม มีการตรวจสีมีการระลึกรู้ตัวน่าจับกิเลสเราให้ได้แล้วก็แก้กิเลสเราล้างกิเลสเราวินาทีนั้นนะ่ะถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะวินาทีนั้นมันก็ไปทําอย่างอื่นคําว่าอย่างอื่นก็หมายความว่ามันก็ไปทํากิเลสกิเลสทันทีเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจอันนี้ได้จะรู้เลยว่าโอโ้ไม่ได้ไม่ได้คืออย่างนี้นี่เรา ขัดทุนไปเรื่อยไงขัดทุนชีวิตเนี่ยขาดทุนบุญขัดทุนกุศลของเราไปเรื่อย